สการบอกเคื่นสิกขาด้วยการใช้คำราพึงกําหนดภาวะ8ดบทวงเล็บหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้กระสันไม่ยินดีปรารถนาจะสึกอึดอัดเบื่อหน่ายเรื่องเกียรติเพศภิกษุปรารถนาจะเป็นครือหัดปรารถนาจะไม่เป็นเชื้อสายพระสกยาบุตรบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าฉะไหนหนอข้าพเจ้าพึงเป็นขรือหัสวงเลบสองพึงเป็นอุบาสกวงเล็บสพึงเป็นคนวัดวงเล็บสี่พึงเป็นสมณเณร วงเล็บ5พึงเป็นเดียรถ์ถีวงเล็บหพึงเป็นสาวกเดียรถ์ถีวงเล็บ7พึงเป็นผู้ไม่ใช่สมณะวงเล็บ8พึงเป็นผู้ไม่ใช่เชื้อสายพระศักยาบุตรภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการเปิดเผยความท้อแท้แต่ไม่เป็นการบอกเคือนสิขา